ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องสัจจะปรมิมีมาถึงตอนที่ว่าด้วยสัจจะวาจาสัจจะปฏิญาณมันมีสัจจะอีกประการหนึ่งเป็นเรื่องกุศลเจตนาเป็นเจตจำนงของเราเอง ที่มองเห็นคุณค่าของการประพฤติการปฏิบัติเช่นนั้นแล้วก็มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติไ ด, ได้มันเป็นการปนกันระหว่างสัจจะกับอธิษฐานเราก็เรียกว่าสตยาธิษฐานเป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดของเราโดยตัวของเราเอง ไม่มีใครเป็นคนรับรู้บางอย่างก็อาจจะนานนะบางอย่างก็อาจจะไม่นานเจนส่วนส่วนใหญ่แล้วก็ต้องปฏิบัติให้ได้ตลอดการละนนตระหนปังเรื่องนะเจินสมมติว่าในเรื่องของการวทเว้นความชั่วประพฤติปฏิบัติความดีโดยเฉพาะเรามองจาก พวกโครงสร้างของศีลก็เรียกว่าระดับศีลธรร ม, มนะครับเลยจะเห็นว่าเวลาเนี้ยเวลาไปในที่ใดเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่ามีคำถามที่ประรบเกี่ยวกับเรื่องศีลนี่ ม, มากแล้วก็ดูแล้วใครๆก็จะรู้สึกว่ายากเย็นเกิดไป ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรเกี่การเห็นใจนะเข้าใจเพราะว่าคนเราเติบโตมาทำกลางสภาพแวลอมที่แตกต่างกันแต่ถ้าเรามองกันในแง่ของความเป็นจริงว่าคนจะไม่ต้องจะต้องไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจมากเกินไปแล้วก็ปัญหาสังคมก็ไม่บีบคั้นรุนแรงมากนะักสินทั้งห้าประการนั้นจะรักษาได้ง่าย เพราะรพระว่าการฆ่าสัตว์ส่วนใหญ่มันก็ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารหรือฆ่าสัตว์ที่เรารู้สึกเป็นศัตรูเช่นว่าตบยุงพวกสัตว์อะไรต่างๆภายในบ้านที่รบกวนขกวนอยู่ภายในบ้านพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปคืออาหารที่สำเร็จ อาหารที่เป็นเนื้อเป็นปลาซึ่งเขาเรียกว่าประวั ต, ตมังสวิรัติทมีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็มีเยอะไปหมดเรวก็ไม่จะเป็นที่จะต้องฆ่าสัตว์เดี๋ยวพวกสัตว์พวกหมอดพวกปลวกพวกอะไรต่าง ๆ, งๆเวลาเนี้ยมันก็มียาที่จะกันไม่ให้มันเกิดก็ป้องกันเอาไว้ไม่เกิดไม่เกิดก็ไม่ต้องฆ่า อธินาทานค่อนข้างจะมีปัญหาตากว่าคนเรามีปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องอธินาทานแล้วก็เป็นอาการของความโลภตอบสนองความเห็นแก่ตัวของคนในการจะรักษาให้ได้เนี่ยค่อนข้างจะทอยากทำยากก็ ง, งดเว้นเมื่อก่อน ต่เรเจนว่าในแนวกา ร, รมเมตสมิจชาจาร์ความซ้บซอนทางเพศเนี่ยมันควรจะทำได้ง่ายน ะ, ะวันพวกเนี้ยมันก็ตั้งสตยาธิฐานเ่ยอธิฐานใจว่าในชีวิตเนี่ยจะไม่ประพฤติผิดในทางประเวณีก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกใครนะแต่เราตั้งสตยาธิฐานอธิฐานใจของเราเอง แล้วรักษาประพฤตปฏิบัติได้ดก็มาถึงถึงเรื่องมุสาวาทซึ่งก็เป็นสัจวาจาที่ว่ามาแล้วแต่บางเรื่องเนี่ยมันต้องมีลักษณะของสัตยาธิฐานในกรณีที่วาจาซึ่งพูดออกไปนั้นมีผลกระทบในทางสร้างความเดือดร้อนใบอนบุคคลอื่นรุนแรงตัวนี้มันต้องเอาอธิษฐานเติมเข้าไป เป็นรูปสัตยาทิฐานวัเด็ดติงขาดเนี่ยจะไม่พูดจะไม่ถาบ อ, อย่างนั้นแม้บางครั้งบางคราวคนที่มุ่งรักษาสัจจะมันจะมีปัญญามองคือมองได้ไกลไม่จะมองตัดตอนระยะสั้นๆเป็นการมองได้ไกลก็ อ, อะไรคือสมมติว่าเราไม่ยอมที่จะใส่ร้ายคนอื่น เราหาคนอื่นเป็นพยานเท็จเป็นพยานโกงเพื่อจะทำลายใครสักคนหนึ่งแล้เวเขาบอกถ้าไม่ทำนะเขาจะฆ่าให้ตายมันก็กลายเป็นทางเลือกก็าจะไปทางไหนล่ะแต่ถ้าคนมองธรรมะคือตรงเนี้ยที่จริงมันก็มีคนตัดสินใจกันมาแล้วทั้งนั้น มันก็เหมือนกับพวกราชวงศ์สักยะที่ตอนพระเจ้าวิถุษภะยกกองทัพไปกระทำย่ำยีท่านเหล่านั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรักษาศีลห้าได้ภาษาศีลห้ารักษาศีลแปดรักษ า, กษาบตุตรศตรศีลแล้วก็เป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปเนี่ยพระยาบุคคล น, นั้นไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าคนระดับที่เป็นผุุ้ชนรักษาศีลห้ารักษาศีลบุตรักษาศีลแปดอย่างสามัญชนโดยทั่วไปเนี่ย ถ้าท่านไม่มีสตยาติฐานอยู่ด้วยท่านก็รักษาคุณธรรมเหล่านั้นไว้ไม่ได้เพราะว่ามันถึงคราวจะต้องเลือกระหว่างชีวิตกับศีลธรรมกับศีลและก็ธรรมะแล้วก็ว่าท่านเหล่านั้นยอมเลือกธรรมะไม่เลือกศีลทำไมล่ะเพราะเป็นการมองชีวิตเป็นกระบวนการเลื่อนไหลเป็นสังสารวัตนะคบเียนว่ายตายเกิดแลวเกิดแก่เจ็บตายเป็นว่ายตายเกิด คือคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำชั่วแต่คนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อตายคือตายนะตายแน่เลยแต่เมื่อมาถึงทางเลือกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้คุณต้องตายแลาทำอย่างนี้ก็จะรอดเนี่ยมันช่วงรอดเนี่ยระยะมันสั้นสมมติอายุเราสักเท่าไหร่ล่ะเอ า, าสักสามสิบสมมติอายุสักสามสิบเนี่ยแล้วโกหกใส่ร้ายคนอื่น สมมติวายุสักหกสิบห้ากสิบเจ็ดสบรอตายก็แสดงว่าตลอดระยะเวลาสี่สิบปีในเราอยู่ด้วยความหวาดระแวงมิต ก, กังวลกลัวผลบาปที่เรากล่าวหาเสียรายบุคคลอื่นจะมาทำอันตรายเอาแล้วข้อประต่อจากนั้นเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ย ใครก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ว่าบาปรกรรมเนี่ยมันตามเราไปได้ตัววิบากเนี่ยตัววิบากที่โกหกใส่ร้ายไปสีคนอื่นในประสบปัญหาเนี่ยมันก็กรรมที่พระเจ้าทรงแช้คาดีนะะนวงเหนียวไปสู่นรกคือเราเห็นภาพว่ามันชุดดึงเราลงไป่ะคือไม่มีใครจะหยุดเขาได้แต่เรื่องราวที่เขาจะให้ผล ตัวนี้มันจึงมีปัญญาเข้าเสริมเยอะถ้าปัญญาไม่มากพอเนี่ยจะรักษาได้ยากเพราะว่าไม่มีสักขีพยานไม่มีประจักษ์พยานที่จะโจดท่วงที่จะติงที่จะตักเตือนอะไรเนี่ยแต่เป็นการกระทำโดยความรับผิดชอบของบุคคลนั่นเองในมุคลสูตรเพิสังเกตว่ามันมีคำคำหนึ่งที่เรียกว่าวินโยจะสุสิกิโต คือมีวิมีวินัยในตัวเองมีการศึกษาสำเนียกมีการระพัดระวงังในการสํารวมหรือตัวก็เราเองไม่จําเป็นว่าใครจะต้องรับรู้หรือไม่รับรู้ตัวนิฐานความเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกนี้เลิกหน้าเนี่ยจะต้องมีอยู่สูงถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เห็นกับปัจจุบันมากกว่าเห็นแกอนาคต แต่ว่าคนที่มองชีวิตตาหลักความจริงเนี่ยต้องมองระยะยาวว่าชีวิตในแต่ละชาติ่ยมันสั้นๆเป็นน้อยนิดนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายมาเกิดแล้วตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ตายแน่แต่ว่าสังสารวัตรมันยาวนานเหลือเกินถ้าเราเกิดไปทําบาปอะไรค่าบาปนั้นก็จะติดตามเราไปก็ให้ผลนความพบความชาติได้ด้วย แต่ว่าคนที่ฆ่าเราเนี่ยเก็ฆ่าได้ชัดเดียวถ้าเราไม่โกรธอาฆาตพยาบาทไรเขาเนี่ยวันสัตยาธิษฐานจึงเป็นเรื่องของวาจานั่นแหละเป็นสัจจะเป็นสัจจะนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เปลง่งก็ไม่เปล่งออกมาเพียงแต่ว่าเป็นการตั้งขึ้นภายในใจของเรา ก็เราอาจจะเรียกว่าจริงใจก็ได้ฮะคือตั้งใจแล้วก็ทาให้ได้ตามนั้นอย่างจริงๆคือในบางเรื่องเนี่ยคนจะต้องมองเห็นโทษเป็นโทษของการขาดสัจจะตรงนั้นด้วยตามปกติเราจะพบเรื่องราวเวลาทรงสแสดงไว้ในชาดุกิริยาการที่หลอกลวง มุ่งหวังผลประโยชน์เพื่อตัวเอเองของคนเลวบางพวกคือแทนที่จะทรงแสดงในแง่ขององค์ธรรมจะมีการแสดงในรูปของนิทานบุคคลเป็นเรื่องราวของบุคคลว่าคนที่ขาดความจริงใจขาดความจริงหรือขาดความจริงใจเมื่อขาดความจริงใจแน่นอนก็นพูดเท็จ น, นะ ก็เรียกว่าไม่พูดไปตามความเป็นจริงที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาถ้าไม่เห็นก็ต้องพูดว่าไม่เห็นไม่ได้ยิ น, ยนก็ต้องพูดไม่ได้ยินไม่ได้ทราบก็ต้องพูดว่าไม่ทราบไม่รู้ก็ต้องพูดว่าไม่รู้ก็ถ้าพูดเป็นในแนวที่คล้ายเคลื่อนจากความเป็นจริงบางครั้งบางคราวก็อาจจะเจอความรุนแรงนะถ้าเล่าถึง ประชาโรงหนึ่งทรงสุบินนิมิตประหลาดแล้วก็ตื่นสนุกตกใจก็ไปสอบถามโ้นโ้นก็โ้นตองแต่งไปงั้นเองคือตอบก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ว่าคือต้องตอบได้นะตอบไม่ได้แก่ก็เสียผลประโยชน์เทลาบยศสัน ส, สุขแต่ตอบได้เนี่ยคือเรียลืมนะฮะวิชาบางอย่างในสมัยนั้นนม่มีความชัดเจนมากกว่า มันอยู่ในมือของกลุ่มผลประโยชน์ที่เกาะกลุ่มการหากินอย่างมหาศาลนะมายันแต่และยันที่มีการบูชาเนี่ยคนจะได้รับประโยชน์คือกลุ่มพิ่หากินอย่างเนี้ยจะได้รับประโยชน์จอและประชาชนจะเดือดร้อนกระจายออกไปแพร่หลายออกไปเกก็ไปทานายว่าประสุบินิมิตของพระราชาเนี่ยจะถึง จะนำความพิบัติเดือดร้อนมาสู่พระองค์มาสู่พระชนีพระจินีมาสู่พรรถปฏธิดาจนถึงราชบัลลังก์ก็สรุปว่าถึงกับที่วงคตน น, นะพระชาเองก็กลัวตายเลยก็มอบมาให้แก่ ร, รมปิธีกรรมเพื่อบูชายัน์ ที่การบูชายันในสมัยก่อนเนี่ยมันมีมันมีท่าท่าร้อยท่าสีห um. าร้อยกุมารหน้ร้อยกุมารลีห้าร้อยอะไรต่างๆเอาคนมาฆ่าด้วยเอาสัตว์มาฆ่าเนี่ยแพะเป็ดไก่อะไก่ต่างๆเนี่ยแพะแกะหน้าสดมาแพะแกะปวกโคพวกอะไรเนี่ยมาฆ่ากันโดยเมื่อการกระทาอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดระบบให้สินบนกินสินบนรับสินบนกันเพราะนนพวกพราหมณ์ที่ทําพิธีในตรงเนี้ย จะได้ผลประโยชน์จํานวนมากสาลคือคนที่มีฐานะดีๆเนี่ยกลัวว่าลูกตัวเองจะถูกจับก็ต้องเงินมาให้คนเหล่านี้เพื่อไม่เลือกลูกตัวเองไม่เลือกทรัพย์สินของตัวเองเสร็จแล้วความเดือดร้อนมันก็ตกลงไปอยู่ข้างล่างก็คือราษฎรที่เป็นอยู่ฐานล่างของสังคมแลาโครงสร้างความคิดตรงนี้บางทีเนี่ย คนไม่ค่อยได้คิดแแม้แต่จริงๆในปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่เช่นสมมติว่าเราประรบกิจกรรมใหญ่จะทำกิจกรรมอะไรใหญ่ๆที่เกี่ยวกับสถาบันแล้วก็วางแผนที่จะหาเงินจำโมดมาหาศารแต่ในสุดเนี่ยมันจะมีกา ร, ราเรียรายเพราเรียร์ไรแล้วจะแตกก็ลองสังเกต ด, ดูนะเช่นสมมติว่า กิจกรรมที่มีความสําคัญต่อสถาบันต่อชาติเ่อศาสนาต่อพระมหากษัตริย์และจะจะประลบอะไรนะแต่มันจะออกมาในรูปกรรันได้ไรพอเรร์ไรแล้วมันก็กระจายออกไปใน ง, งานราชการทั้งหลายกระทรวงศึกษาธิการก็เรียรไรผู้ปกครองของนักเรียนก็ผ่านนักเรียนไปพระเองก็เรไราจากญาติโยมมาไทยก็เรรไรจากราชฎร ทหารก็ได้ไรายจากประชาชนกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ไรายจากพ่อค้ากระทรวงการคลังก็ได้ไรายจากธนาคารไปซัพาทาน้ำร้านต่างๆแต่เราอย่าลืมว่าที่จริงเนี่ยบางทีเนี่ยคนคนเดียวนั่นแหละมันเป็นหลายอย่างเป็นรนัษสรเมื่อเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเป็นประชาชนเมื่อเกี่ยวข้องกับเราผม เป็นพ่อค้าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์เป็นนักการธนาคารเมื่อเกี่ยวข้องกับระทวงครั้งเป็นญาติโยมเมื่อไปเกี่ยวข้องกับพระเป็นผู้ปกครองนักเรียนเมื่อเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการเพราะงั้นคนเหล่านี้สมมติมีเงินร้อยนะึงแบ่งเป็นส่วนเนี่ยหมดเลยแนตวตรงนี้คนที่อยากได้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดแต่แ้่คิดใ้ดีแล้วเนี่ยมันกระเือนมาก กระทบกระเทือนมากแล้วก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆเนี่ยทีมันก็แก้ยากเพราะนพอปุโรหิตไอ้โหราจาร์ท่านเล่นในลักษณะนั้นคิดมาเนี่ยดังเสนาบดีก็รู้รทันทีรู้แก้กันทีเถอันนี้วางแผนลอกลวงประชาชนแต่ว่าจะมาขอให้ประชาชสั่งระงับเดิมก็ไม่ได้ประชาชนก็กลัวไม่มีสติสตังอะไรอยู่แล้วในที่สุดท่านก็ไปเอง แล้วก็สอบถามโหนว่าพระราชาจะประสบอันตรายอย่างนั้นอย่างนั้นจริงไหมได้ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยแกก็บอกว่าจริงแต่ถ้าไม่ทํามันจะเป็นอย่างไงไม่ทำก็จะประสบความพิบัติเดือดร้อนแต่ถามว่าคุณเนี่ยเป็นยังไงอายุยังยืดยืนอ่ะแกบอกอายุของแกยังยังยืดยืนนานอย่างอหลายปีไม่มีปัญหาอะไรเสนาบดีก็ชักดาบฟันข้อขาดเลย นั่นคืออะไรคือคนที่มันหลอกลวงแม้แต่พระราชาของตัวเองแต่ามาตรการแรงๆอย่างนี้ถ้าเราเช็คฉาดดกเช็คประวัติศาสตร์จะเจอเยอะเลยคือคนที่ร้าสัจจะพวกนี้เป็นไม่ใช่สัจจะร่สัจจะธรรมดานะฮะหลอกลวงเลยแล้วก็เขาเรียกสำนวนสมัยพุทธกาลเน่ยมันมีสำนวนประโยคหนึ่งจริง คือน่าคิดนะฮะว่าในปัจจุบันมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าช่อราดบังหลวงหลอกลวงประชา ช, ชนเช่อนอะไรเช่นไปได้ไรมาเพื่อจะถวายเพื่อสถาบันอะไรแต่ไรเนี่ยบางทีก็ยักยอกหมดเลยนะฮะบางทีก็เอามาให้ส่วนหนึ่งมันก็กลายเป็นช่อราดบังหลวงหลอกลวงประชาชน รลอกวงประชาชนได้มาก็แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นประชาชนก็ให้มาด้วยความสุจริตใจด้วยความจริงใจด้วยความศรัทธาด้วยความพักดีด้วยความรักชาติบันเหมืองก็แล้วแต่แต่เราก็มาปิดบังเอาไว้ส่วนหนึ่งก็กลายเป็นการบังหลวงแล้วก็ช่อราษฎรแล้วก็บังของ สมบัติของของแผ่นดินไปแล้วกลายเป็นการหลอกลวงประชาชนช่อราชช่อช่อ น, นั่นคือช่ อ, ชอสถาบันช่อบรราชาก็บบังหลวงก็โดยวิธีหลอกลวงประชาชนนั่นก็คือเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นจากขาดความซื่อสัตย์แล้วก็มันก็ไหลออกไปเรื่อย เพราะในเอกการกระทําในลักษณะเนี้ยช่อราดบางหลวงหลอกลวงประชาชนอย่างนี้จะไม่มีในวิถีชีวิตของคนอย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จะมีความซื่อซื่อสัตย์เป็นอัธยาศัยมีความสุจริตใจมีความจริงใจไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามอย่าที่ยกตัวอย่างว่าแม่จะเกิดเป็นนกไปหลงไปติดอยู่ในกอบัวก็ทําให้ ดอกบัวมันเกิดหุแล้วก็บินออกมาไม่ได้ค้างอยู่ในนั้นทั้งคืนในที่สุดก็ออกมาได้แล้วก็ปฏิญาณที่เป็นสัตว์กับคู่ครองของตัวเองคือนกตัวเมียบางครั้งบางคราวเจนอะไรล่ะวะตะัตถกาปริดเนี่ยประวัติศัสตว์เกิดเป็นลูกนกขุม ก็ยังเล็กฝนมันไหม้มาอะไรไม่ใช่โล่ไฟมันไหม้มารอบทิศทางแล้วก็แม่นกพ่อนกก็ไม่อยู่สงอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนกเนี่ยถ้าก็อทิฏฐานสัจจะบา ร, รมีเนี่ยคุณของศีลคุณของบา ร, รมีทั้งหลายว่าตอนเนี้ยฝลปีกของท่านก็แห้งเกรียนไปก็ยังไม่สามารถจะบินได้เพราะแม่ก็ไม่อยู่ท่านเองช่วยตัวเองไม่ได้เพราะงั้นขอไฟเนี่ย อย่ามาเผาแผลนั้นให้อยู่ห่างจากนั้นมันก็ล้อมเป็นวงกลมอยู่นะไฟไหม้ล้อมเป็นวงกลมก็ไม่เข้าไปพวกแนวตรงนี้มันมันผมมีสัจจะมากๆเนี่ยมันสามารถที่จะอ้างสัจจะในอธิษฐานเพื่อเกิดผลอะไรขึ้นมาได้หลายปีมาแล้วเคยได้ยินพระรูปหนึ่งท่านตายไปแล้วนะ่ะฟังเทป เดี๋ยวท่านพูดถึงตอนพระโพธิสัตว์อธิษฐานลอยถาดริมแม่น้ำในรังชละล้วถาดลอยทวนกระแสน้ําไปท่านก็พูดหน่าเฉยตาเฉยนะว่าเป็นไปไม่ได้เราไม่เชื่อโยมลงไปลอยดูสิถ้าจะลอยทวนกระแสน้าได้ยังไงคือถ้าไม่นึกถึงสัจจะแต่เนี่ยคือคนที่มีสัจจะเนี่ยถ้าเขามีจริงนะถ้าก็มีสัจจะจริงๆมันกลายเป็นการอาธิษฐานแล้วกลายเป็น อัศจรรย์หรืออภินิหารอัศจรร ย, ย, ย์ได้ก็ทําสิ่งที่น่าอัศจรรย์ได้แรงตรงเนี้เราสัมผัสกันไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าคนสัมผัสได้แล้วก็มันก็เกิดผลดีจริงๆเพียงแต่ว่าคนทําได้น้อยเท่านั้นเองหลัจกจากของพระโพธิสัตว์นั้นมุ่งไปไกลคือมุ่งไปสู่การสัสรู้อนุตตรสมาสัมโพธิญาณเพราะงาั้นความซื่อสัตย์ความซื่อตรง ที่แสดงออกมาทั้งจริงใจและจริงจังแล้วก็จริงใจนะฮะตลอดถึงพูดจริงแล้วก็จริงการคือจริงการกระทำหมายความว่าทำอะไรก็ตามก็ทำจริงไม่ต่อหน้าอย่างหนึ่งไม่รับหลังอย่างหนึ่งเป็นคนที่เรียกว่าซื่อสัตย์ซื่อตรงนะเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงอยู่ตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในภกชาติอะไรก็ตามก็เป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสถานะเป็นที่ยอมรับยกย่องของสังคมแห่งยุคสมัยก็เป็นไปตามนัยาพระบาลีที่ว่าสเจนะกิติปปปุลติคนจะได้เกียรติเนี่ยเพราะความศักด์์พราะแนวสัจจะบา ร, รมีเป็นแนวของธรรมปฏิบัตินะเป็นแนวของธรรมปฏิบัติที่มีจิตเป็นตัวฐานจิตนี่เป็นฐานคือ ให้เห็นความสำคัญแก่สัต์จักเห็นคุณค่าของสัจจัแล้วก็พยายามรักษาสัต จ, จัส่วนแสดงออกมาอย่างไงนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งและเข้มข้นขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเวลามีภัยมีอันต ร, รายมาคุกคามเนี่ยถ้าจิตใจอ่อนแออ่อนไหวก็จะทอดทิ้งสัต จ, จัแต่ว่าคนอย่างพระโพธิสัตว์นั้นจะไม่หวั่นไหวไปตามแรง กระแทกกระทันมาจากข้างนอกจะดำรงมั่นมั่นคงอยู่ในสัจจะบา ร, รมีทำกลางวิกฤตการณ์ต่างๆได้ต้องฟังต่อไหนแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี